่่ออององใใงปใใหกจจจจจะะตตตต้้บยยใใัััชชววททํําาาีีสสสิลไไดดูละเข้าสู่รายการเครสตดี้กันเลยจ้าโลก เป็นนักเรียนโงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่กำลังตกอยู่ในสภาวะที่ต้องทำใจอย่างกระทันหันแลน้วขณะที่ลูกเรียบเรียงเคสตดี้อยู่นี้ก็เป็นช่วงที่ลูกกำลังจัดงานศพให้กับสามีที่ดีที่สุดที่ได้มาด่วนจากไปโดยไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนทำให้ลูกรู้สึกยากที่จะทำใจได้ค่ะ สามยียงลูกเขาเป็นผู้ชายที่แสนดีเหลือเกินตั้งแต่วันที่ลูกรู้จักกับเขาจนกระทั่งเราได้แต่งงานอยู่กินกันลูกไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยที่ได้เลือกเขามาเป็นคู่ชีวิตและเราต่างก็เกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกันลูกว่าคงเป็นเพราะ บุญที่เราสร้างาร่วมกันมาพระในชาตินี้เขาก็เป็นคนทําให้ลูกได้เข้าวัดพระธรรมกายแล้วก็ใจเย็นในการอธิบายให้ลูกเข้าใจถึงเรื่องราวอลึกซึ้งของการสร้างบารมีจนลูกพร้อมจะเคียงบ่าเคียงไหล่กับเขาในการสร้างบารมีให้ถึงที่สุด ยิ่งอยู่ด้วยกันนานวันเข้ายิ่งทําให้ลูกรู้สึกโผล่พันเขามากยิ่งขึ้น เ, เรื่อยๆประดุดเราเป็นลมหายใจเขาออกของกันและกันเลยค่ะความรักและความดีนี่เนาะช่วยอธิบายให้กระจ่ายเรื่องราวอนึกซึงการสร้างบารมีอย่างนี้เขาเรียกคู่บุญคู่บารมีแต่อยู่ด้วยกันแค่ช่วงสั้นนั่นเอง สามเองลูกแม้เป็นเพียงข้าราชการที่ไม่ล่ำรวยอะไรนักแต่เราก็พึงพอใจกับการสร้างบุญอย่างเต็มกำลังเราได้ทำบุญในระดับเอสมาแทบทุกงานจชิงกรถินพระราชปี46อาคารภาวนา60สปีสามแสนปลื้มสาวแก้วพันปี แล้วก็เด็ดตกลงกันว่าจะทำบุญเสาแก้ว 1,300 ต้นอีกต้นละสิบาทาเราเชื่อกันทำหน้าที่ผู้นํำบุญได้ชวนคนสร้างพระชวนคนเปิดบ้านกันลยาณนนมิตรชวนคนในหมู่บ้านติดจานดาวทำได้ยี่สิบจาน<า><า>และทุกวันอังคารก็จะไปทำหน้าที่ ชวนคนใหม่มาปฏิบัติธรรมกันที่ศูนย์กัลยาณมิตรใกล้บ้านโ<า>ดยลูกและสามีจะเป็นคนออกเงินเช่ารถรับคนไปศูนย์เป็นอย่างนี้ต่อเนื่องไม่ขาดเลยอีกทั้งวันอาทิตย์ต้นเดือนก็จะชวนคนมาวัดให้เขานั่งรถมาวัดด้วยกันจนกระทั่งก่อนวันมาฆบูชาประมาณสองสัปดาห์สามี ยังได้ตัดสินใจซื้อรถป้ายแดงคันใหญ่ไปไปรับคนใหม่ๆมาวัดให้ได้มากขึ้นอีกด้วยโดยคิดจะเริ่มใช้ในวันมาคบบูชาที่ผ่านมานี้นะจ๊ะแต่หลังจากที่ตัดสินใจซื้อรถได้ไม่กี่วันอยู่ๆสามีาลูกคนล้มหมดสติในที่ทำงานโดยไม่มีสาเหตุทุกคนในเหตุการ์ต่างตกตะลึง แล้วก็พาเขาส่งโรงพยาบาลโดยด่วนพอไปถึงหมอก็เอ็กซเรย์แล้วก็รีบนำเขาเข้าทำการผ่าตัดสมองด่วนเพราะเส้นเลือดใหญ่ในก้านสมองของเขาแตกซึ่งโดยปกติแล้วมีคนน้อยรายมากที่จะเป็นกันโดยเฉพาะคนที่ยังหนุม่มและแข็งแรงอย่างสามีลูก ไม่น่าจะเป็นอีกทั้งเขาก็ไม่มีโรคประจำตัวหรือมีอาการบ่งชี้ใดๆว่าจะต้องป่วยเลยภายหลังจากการผ่าตัดแล้วเขาก็ไม่มีทีท่าว่าอาการนั่นจะดีขึ้นเลยเพราะเขาสลบหมดสติแม้จนกระทั่งย่างค่ำวันที่8เขาก็ยังไม่รู้สึกตัว ทำให้ความหวังลูกเลือนรางแล้วก็ปริหลีลงไปเรื่อยๆจบจนวาระสุดท้ายของชีวิตได้มาถึงคือเขาหมดลมหายใจเฉยๆก่อนวันมาคาบุชาเพียงสองวันไม่จ้ว่ามัจุราชไม่เคยให้โอกาสใครเลยรถไปได้ในเขาตั้งใจซื้อไว้รับคนมา วันงานมาค้าบูชาจึงไม่มีโอกาสได้ใช้งานเลยตอนนั้นหัวใจลูกแทบจะสลายเหมือนลลกกาลังถูกคลากจากอะไรที่ใหญ่หลวนที่สุดไปน้ำตาลูกก็เริ่มไหลออมาอย่างไม่รู้ตัวแล้วก็จะไหลซ้ำๆเมื่อภาพแห่งการทำความดีของเข้ามาฉายให้ลูกเห็นลูกจะพยายามทำตามหลักวิชาอย่างที่คุณครูไม่ใหญ่บอกค่ะ เราได้สร้างพระให้เขาเพิ่มอีกหนึ่งองค์ทําบุญคอมมาครับกระทีปแล้วทาบุญเสาวแก้เพิ่มให้กับเขาอีกตั้งใจจะทําสาแก้พันสามรอยต้นเพิ่มเป็นต้นละหนึ่งร้บาทาเพื่อส่งบุญให้เขาและบุญอะไรที่พอจะทํำให้เขาได้ก็ทำให้เขาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้โลก และสามีเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ได้รับเด็ก น, น้อยคนหนึ่งมาเลี้ยงเสมือนเป็นลูกของเราแท้ๆเพราะพ่อแม่ของเด็กชายคนนี้เลิกกันและก็ไปพร้อมจะรับผิดชอบเด็กซึ่งกับแปลกค่ะแม้เขาไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่เราทั้งสองก็รู้สึกรักเด็กคนนี้เอามากปัจจุบันนี้เขายุได้สี่ขวบแล้วค่ะ พ่ อ, องลูกทำเป็นทหารบานศึกที่เคยต่อสู้รบพุ่งอยู่ที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงที่อยู่กองทัพพ่อมักจะดื่มแต่เหล้าและสูบยาเส้นจนติดครั้นต่อมาท่านได้มาพบรักกับคุณแม่จากนั้นท่านั้งสองก็ได้ตกลงปลงใจช่วยกันสร้างเรือนหออยู่กลางน้ำ ยังก็หอพระไทรวิดกแล้วใช้ชีวิตอยู่กินโดยการบนวิมานกลางน้ำนะอย่างมีความสุขที่สร้างเรือนหอกลางน้ำก็ามาใช่โรแมนติกอะไรหรอวคะ่ะแต่เป็นเพราะความจนจุนละทุกตะทั้พ่อกับแม่แไม่มีแม้กระทั่งที่ดินจะเป็นของตัวเอง จริงนั่งช่วยกันไปหาไม้มาต่อเป็นแพรกลางน้ำแล้วก็ต่อบ้านอยู่บนแพรนั้นไม่รู้จะลงบ้านเล็กที่ยังไงเนี่ยพอน้ำลงกับนู่นเป็นกิโลน้ำขึ้นแต่ ป, ปูนไปกิโลอกีกพอน้ำหลากบาทิ้งบ้าแล้วก็กระเพื่ม น้ำลงก็ไปอยู่ตำบลนน้นหมู่บ้านโน้นนำขึ้นไปอีกอยู่อีกหมู่บ้าน <laughs> คืนลองทีชีวิตครอบครัวเราจึงขึ้นขึ้นลงลงตลอดเวลา<อ>เราถูกเวียนโคลงเคลงแบบนี้<อ>เวียนก็ไปเวียนมากระทั่งพ่อแม่มีลูกถึงคนที<อ>่ห้าซึ่งเป็นผู้ชายค่ะ<อ>งง <laughs> พ่อรักลูกชายคนนี้มากเป็นพิเศษแต่ว่าเลี้ยงเขาไม่ได้ได้ไม่นานก็มีเหตุที่ต้องสูญเสียเข้าไป ตั้งแต่เขายุดได้เพียงสีขวบเดือโรคไข้รากสาดใหญ่การตายของลูกชายคนนี้เนี่ยทำให้พ่อรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและด้วยความอาลัยอาวรระหว่างพ่อลูกพ่อจึงเอามือไปป้ายเอาขาเห่าก้นหม้อสีดำๆมาป้ายไว้ที่กลางหลังศพลูกชายแล้วก็พูดว่าไว้ให้เองกลับมาเกิดเป็นลูกข้าใหม่นะ อีกประมาณ3ปีต่อมาก็มีฝันประหลาเกิด ข, ขึ้นกับแม่คืออยู่ๆแม่ก็ฝันว่ามีเด็กผู้หญิงได้มาขอเกิดเป็นลูกด้วยได้ฝันแม่จึงตอบไปไปว่าดีก็าไม่อยากได้ลูกผู้ชายก็เกิดมาแล้วก็ต้องตายในฝันนะจ๊ะแต่ในฝันพ่อของลูกกับตอบแม่ว่าถ้ามันเกิดมาเป็นผู้หญิงกูตายซะดีกว่าแต่ถ้ามันเกิดมาเป็นผู้ชายกูจะเลี้ยงมันอย่างดี การมาถึงวันคลอบแล้วก็ดว่าเราจเกิดมาเป็นลูกผู้หญิงซึ่งก็คือตัวลูกในเองค่ะลูกในฝันจริงได้พ่อไม่พอใจมากๆแต่ที่น่าประหลาดใจไปกว่านั้นคือทุกคนสังเกตเห็นว่าที่แผ่นหลังของลูกมีปานดำปานดำดาลักษณะเหมือนรอยเข่าที่พ่อได้ไป้ายหลังศพลูกชายที่ตายไปแล้ว ยิ่งทำให้ลูกจะถูกเข้าใจตลอดมาว่าคือลูกชายคนก่อนของพ่อที่ตายไปแล้วแล้วก็กลับชาติมาเกิดใหม่แต่เรื่องรามันไม่จบเพียงแค่นั้นน่สิคะร้อนดฟฝันของแม่พ่อกลับพูดว่าถ้ามันเกิดมาเป็นผู้หญิงกูตายซะดีกว่าออสิ่งหลังจากที่ลูกคลอดมาได้เจ็ดเดือนก็มีอาเพศเกิดขึ้นจริง คือแม่ได้ซื้อที่ดินบนบกบริเวณใกล้เคียงกับแพ่เดิมที่เราอยู่เพื่อเราจะได้ปลูกบ้านกันอาจจะได้ไม่ต้องมีชีวิตยอยู่บนน้ำกันอีกไม่ต้องเป็นชาวน้ำแล้วเราก็อยู่กันมานานแค่30กว่าปีแล้วทลังจากแม่ได้ที่ดินเสร็จพ่อก็ไปได้เสามาต้นหนึ่งไม่ต้อง ทำอะไรเลยเนี่ยสามารถตั้งปั๊มได้คือตกน้ำมันมาหนึ่งต้นจะนามาเป็นเสาปลูกบ้านซึ่งชาวบ้านต่างกระทักโถมไม่ให้พอเสาต้นนี้เพราะมันเฮี้ยนเดี๋ยวจะมีอันเป็นไปแต่พ่อไม่เชื่อค่ะเพราะท่านไม่เคยเชื่อเรื่องทํานองนี้เลยสามยังเอาเสาต้นนี้มาเป็นเสาเอกซะ อ, อีกจะในสุดหน้คืนดึกสงัดวังเวง เป็นช่วยแต่พ่อกำลังดื่มเหล้าเมาอยู่ในบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จหลังนี้อยู่ๆพ่อก็ร้องแบบกระอกักกระอวนดิ้นประปรักเหมือนมีใครนํามาทํำร้ายพอแม่ไปพบกับปรากฏว่าพ่อตายแล้วทําให้ชาวบ้านแถบนั้นต่างแห่กันมาดูปรากฏว่าตัวพ่อมีรอยจำๆอยู่เต็มตัวไปหมดปมปริศนาการตายของพ่อครั้งนี้ไม่มีใครเรื่องรู้สาเหตุเลย จะกระทาให้ชาวบ้านรีบช่วยกันลื้อถอนเอาเสาเอกตกน้ํามันนั้นออกไปแล้วเอาเสาอื่นมาแทนที่และเจอกันสร้างบ้านหลังนี้ให้เสร็จทาให้ครอบครัวเราทุกคนยกคนขึ้นบกได้ย้ายจากพิมายกลางนะขึ้นมาอยู่ที่สวรรค์บนดินหลังใหม่ชายน้ํานี้โดยสวัส ด, ดีแต่ว่ามันเป็นสวรรค์ปลายนานะเจ้าคะ หลังจากนั้นเหตุการณ์ทุกอย่างดําเนินไปอย่างสงบอย่างนี้เรื่อยมาจนกระทั่งลูกอายุได้ราวสีขวบอยู่ๆลูกก็ได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งมาเล่นแจอเอ๋ด้วยในบ้านจนลูกแปลกใจวิ่งไปถามแม่ตามภาษาเด็กว่าผู้ชายคนนั้นคือใครคะซึ่งแม่เองก็ไม่ทราบเหมือนกันคะ่ะ แต่แต่างการสันนิษฐานกันว่าอาจจะเป็นพ่อของลูกได้มาหาเธอสี่ขวบนะมีผู้ชายมาเล่นใจเอด้วยแม่ของลูกท่านเองก็มีชีวิตที่ลำบากมากมาแต่เด็กแต่ก็รักลูกรักครอบครัว ม, มากแต่ในบ้านปลายชีวิตของท่านได้ดป่วยเป็นมะเร็งที่รากฟันค่ะหลังจากที่ถอนฟันแล้วท่านปวดทรมานเพราะมะเร็งกินลามเข้าไปในคราม แม่ปวดทุรนทุรายจนพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งท้ายพิสาลูกต้องเฝ้าไว้ไม่ให้คลาด ส, สายตาแต่ในที่สุดแม่ก็ประสบความสําเร็จในการฆ่าตัวตายคือในขณะที่พิสาลูกกาลังเอาจานไปเก็บแม่ได้จังหวะนั้นก็กลิ้งตัวเองจากบ้านทช่บนตกลงมาเช่นล่างและก็เสียชีวิตในที่สุดแสดงคงเจ็บมาก ทรมานมากอยากจะมนีความทรมานนี้พองสามีท่านมีอาชีพทำนาชอบสูบยาเส้นและไม่เคยได้มีโอกาสทำบุญเลยวาระสุดท้ายท่านเสียชีวิตเนื่องจากความผิดพลาดของหมอที่นำกล้องส่องลำไส้สอดเข้าไปดูในท้องทำให้เครื่องมือนะ่ะไปดันจนกระเพาะทะลุทำให้เสียชีวิตลงในวัยจดสิบหนึ่งปี คำถามบปรกรรมใดทำให้สามีขงลูกเซลหิตในการสมองแตกและอายุสั้นในช่วงที่เขาสลบไปแปดวันเขานึกถึงบนได้ไหมตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างจริงๆแล้วเธอคงอยากถามแค่ข้อนี้ข้ออื่นนี่ก็แถมเสริมได้รับบนที่อาทิตย์ไปให้หรือไม่แล้วก็มีอะไรอยากจะฝากบอกลูกไหมคะมแน่ๆเลยเนี่ย ว่าเธอคือลมหายใจใอืแน่เลยใช่เลยช่วงที่สามเองลูกน้องไม่ได้สติอยู่ที่โรงพยาบาลเด็ก ช, ชายที่เรารับมาเลี้ยงเขาได้ละเม อ, อร้องออกมาว่าพ่ออย่าไปเกรงพ่อเขาหรือไม่คะจึงละเมอเช่นนั้นบุปกรรมใดทำให้พ่อแม่และลูกๆทุกคนต้องอาศัยอยู่ในบ้านโครงเรลงบนพื้นน้ำนานกว่าสาสิบปี เอ้หลับได้ยังไงเนอะชิลเร อ, เ, อเหมือนเปรย์นนะ ม, มันเมาหัวบุพกรรมใดทำให้ลูกชายคนที่หของพ่อเป็นโรคใครรักษาใหญ่และอายุสัน้นเขาตายแล้วไปไหนเชกกลับมาเกิดเป็นตัวลูกในชาตินี้หรือไม่ถ้าไม่ใช่แล้วทำไมตัวลูกถึงมีปานดำที่กลางหลัง เหมือนรอยขมเหล่าที่พ่อไป้ายไว้ที่ลูกชายคนที่ห้าด้วยคะ่ะเออทาไมแม่จึงฝันว่ามีเด็กผู้หญิงมาขอเกิดแล้วพ่อบอกในฝันว่าถ้าเป็นลูกหญิงขอตายดีกว่าหมายความว่าอย่างไรคะทําไมถึงสอดคล้องกับเหตุการณ์จริงคือตัวลูกเป็นผู้หญิงมาเกิดจริงๆแล้วพ่อกตายหลังจากลูกเกิดได้ไม่นานจริงๆเอาล้วสิ อุปรกรรมใดทำให้พ่ออายุสัน้นพองลูกตายเพราะสาเหตุใดเกี่ยวกับสาวตกน้ามันหรือไม่ท่านตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างผู้ชายจะมาเล่นใจเอกลูกก็ใช่พ่อหรือไม่หากไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นคือใครและต้องการอะไร อุปรกรรมได้แม่งลูกต้องเป็นมะเร็งที่ฟันและทําไมไม่ตายด้วยเริ่มมะเร็งแต่กลับตายด้วยการฆ่าตัวตายในช่วงที่แม่พยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งแต่ไม่ตายนั้นเป็นเพราะในช่วงนั้นมีบุญใดส่งผลช่วยเหลืออยู่หรือว่าเป็นเพราะการรมฆ่าตัวตายยังไม่ส่งผลคะตอนนี้แม่ตายไปแล้วนะ่ะไปอยู่ที่ไหน ได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่หรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะบุพกรรมใดทำให้พ่ อ, อสามีตายเพราะความิดผิดพลาดของแพทย์ส่องกล้องจนกระเพาะทะลุพอสามีตายแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศหรือไม่หรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะและแพทย์ทันนั้นทำกรรมอะไรมากับพ่อของสามีหรือไม่ แล้วจะมีวิบากรรมในชาตินี้และชาติ ต, ต่อไปอย่างไร mm hmm. เด็กชายที่ลูกรับมาเลี้ยงเป็นลูกมีบุพกรรมใดในอดีตเป็นอย่างไรพอแม่เขาจึงไม่พร้อมจะรับผิดชอบเขาคะและลูกกับสามีผูกพันในอดีตกัเขามาอย่างไรเขามีบุญบวชตลอดชีวิตไหมคะแล้วก็เคยสร้างบารมีกนะัมูคณะมาอย่างไรคะ อุปรกรรมใดทําให้ลูกต้องมีสามีที่อายุสั้นคะจะต้องแก้ไขวิบากกรรมที่มีสามีอายุสั้นนี้อย่างไรคะชีวิตขึ้นก็เป็นอย่างเงี้ยเนาะธรรมชาตินี้ลูกและสามีจะเไม่คู่ชีวิตที่ดีของกันและกันอดีชาติสามีและตัวลูกสร้างเรามีกรรมฐาะมาอย่างไรตัวลูกมีบุญจะรวกว่านี้หรือไม่ มีบุญพอจะเข้าถึงพระธรรมกายในชาตินี้ไหมคะผู้สายงานลูกนะ่ะมีอัธยาศัย alert เตือนตีสามทุกวันเป็นคนชอบทำอะไรเร็วก่อนก่อนเสมอก่อนใครเสมอเลยเป็นเพราะอะไรคะเขาเคยสร้างบารมีกหมูขคณะมาในรูปแบบใด มีหน้าที่อะไรเคยเขถึงพระธรรมากายไหมคะจำ เ, เรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจได้ครับลับตาฝันเป็นตูมิตาเตินขึ้นม า, าแล้วก็นำมาล่ฟังเป็นนิยายปารำประกากันจ้าสามีของลูกการเราเห็นในสมองแตกและอายุสั้นพระ กรรมปานาติบาตได้เป็นทหารระดับผู้กองได้ฆ่าขาตศึกด้วยตัวเองและสั่งการด้วยวิบากรรมนี้มาส่งผลแต่บุญในปัจจุบันล่าดีที่เคยทำไว้จึงทำให้วิบากกรรมเบาบางลงและตายอย่างไม่ทรมานเจ้าในช่วงสลบไปแปดวัน ใจของเขาใสเพราะใจเขามันเป็นบุญอยู่แล้วเนี่ยเขาสั่งสม บ, บุญมาตลอดป่วยแค่กายเท่านั้นเองเยอยู่ในบุญอยู่แล้วเป็นปกติของเขาเลยทุกวันนแต่เหมือนคนนอนหลับไปนในช่วงสลบไปแปดวันใจเขาจะใสยังไม่ใช่ว่าใจใสนี่ต้องทําเองต้องสั่งสมสั่งสมความใสเอาไวท้ทุกๆวันเลย เอาไปถึงเวลาที่ที่เราจะต้องเจ็บป่วยไข้จะเดือยอาการเดอาการหนึ่งหรือเป็นหนักขนาดสลบขนาดนี้ความใสของใจก็ยังคงอยู่อาจาจะดูอาการที่ป่วยไข้แค่กายหยาบเท่าทนั้นแหละตายแล้ว เหมือนตื่นขึ้นและกายละเอียดก็หลุดออกมาเห็นบริวารห้อมล้อมพร้อมเทวรั์ขนาดใหญ่พอสมควรแล้วก็มาทำตามหลักวิชาคือมาเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ก็ระลึกถึงบุญทุกบุญแล้วก็แวบไปดูสิบบุรีวงบุญวิเศษ เกศเบียงจ ะ, ะ, ะ, ะได้รับบุญทุกบุญที่หลวง่อทิพไปให้แล้ว<ะ>ก็ยึงทําให้มีทิพยะสมบัติเพิ่มขึ้นกําลังชื่นชมทิพยะสมบัติแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปเข้าฟอร์มหาสมณะเทพบุตรที่วิมานของท่านากําลังบุญเต็มที่เนี่ยแล้วท่านก็กำลังเตรียมประชุมนั้นจะเรียกเร็วหน่อย เด้ฝากข้อความมาว่าเทพพระบุตรสุดหล่อฝากข้อความมาถึงเทพธิดาในเมืองมนุษย์ว่าอย่าร้องไห้อย่าเสียใจให้ทาหน้าที่ต่อไปแล้วก็ทําแทนเขาด้วยจ้ะซึ่งยิ่งเลยจุดที่สามเองลูกนอนไม่ได้สติอยู่ที่โรงพยาบาลเด็ก ผู้ชายที่รับมาเลี้ยงได้เละเมอออกมาว่าพ่ออย่าไปนั่นก็เป็นเรื่องของเด็กละเมอไปตามภาษาเด็กเพราะเขาเรื่อว่าพ่อไม่สบายหนักเท่านั้นแหละเขารู้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้มีการละเอียดของสา ม, มีลูกไม่เยี่ยมจ้ะพ่อแม่และลูกๆทุกคนตัองอาศัยอยู่ในเรือนแพ่ น, นานกว่าสามสิบปีเราแต่คนนเป็นคนเคยอรวย เศรษฐีเก่าที่มีอัตยริสัยชอบดูถูกคนอื่นอีกทั้งทำทานมาน้อยด้วยจึงมีกำลังทานบารมีน้อยก็ ท, ทำให้มีบ้านอยู่ตามสภาพของกำลังบุญเลยจ้ะ<อ>กับกรรมที่ไล่คนออกจากที่ดินของตนที่ติดริมน้ำจนเขาต้องอาศัยอยู่ในเรือนแพรเป็นกรรมเสริมวิบากรรมนั้นกล่าวมาส่งผลจ้ะแต่ส่งนาน กว่าสามสิบปี oh. ลูกชายคนที่ห้าของพ่อเป็นโรคไข้รากฎา์ใหญ่และอายุสัน้นเพราะแน่ดีชอบวางยาเบื่อสัตว์ตดยยาเบื่อใส่ลงไปในอาหารสัตว์มากินมันก็ตายเช่นหมาแมวหนูเป็นต้นมันส่งผลจ้ะจริงตั้งการเบื่อเนเบื่อหนูอ่ะ แต่แมวก็ไมาอยู่ว่างๆผ่านมากระโหลซะตายแล้วตอนนี้ลูกชาก็ติห่างพ่อก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วแต่ไม่ใช่ตัวลูกกันลวกันใจตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ที่มีปานกลางหลังนั้นก็มาพ้องกันพอดีกับกําเนิดดีถึงตัวลูก <N> อ้าวเอ า, อาล้วสิ โดยในชาติหนึ่งลูกเน่มีบ้านติดอยู่กับกำแพงด้านหลังของวัดลูกเดี๋ยวเอาขยะไปเผาแถวนั้นตอนกำแพงด้านหลังวัดเป็นรอยดำๆอีบา ก, กรรมนี่มาส่งผลจ้ะใครเคยเผาขยะหลังวัดเตรียมตัว <c oughs> แม่ฝันว่ามีเด็กผู้หญิงมาเกิดแล้วพ่อบอกในฝันว่า แต่เปลูกผู้หญิงขอตายดีกว่าก็เป็นเรื่องจิตนิวรณ์ของแม่ที่ได้ยินพ่อพูดเรื่อยๆถึงฝังใจว่าพ่อรักลูกผู้ชายอยากให้ลูกผู้ชายกลับมาเกิดก็เท่านั้นเองเลยจ้ะเรื่องก็ถูกดึงไม่พ้อง ก, กันกับการเกิดของลูกและการตายของพ่อแต่ความจริงไม่เกี่ยวกันจ้ะพ่ออายุสั้นเพระาะกรรมฆ่าสัตว์ทมอาหาร ทามกับแกล้มค่าสัตว์ใหญ่น้อยทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจะคือข่าสัต์ตชีวิตเนี่ยวิบากเขนั้งจะตัดชีวิตเราตัดรอนเราท่านตายเพราะหัวใจวายเฉียบพลันหมดอายุไขแล้วไม่เกี่ยวกับเสาตกน้ำมันจ้ะตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่มาเชิญตัวไปยอมมาโลก ขอมหาน ร, รักคุมหา้าเด็กกรรมดื่มสุราและถูกพิพากษาให้ไปถูกกรอกน้ำทองแดงร้อนตอนนี้กำลังถูกเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่มีความทุกข์ทรมานมากจ้ะลูกต้องทำบุญอุทิศไปให้ท่านเยอะๆนะจ๊ะเพราะอยู่ในภูมิที่รับบุนได้พี่ชายที่มาเล่นจ้ะเอกลูก ก็เป็นชาวบ้านแถวนั้นที่ผ่านมาเห็นเด็กน่ารักก็เลยไปแกล้งลอ้อเล่นหลอกเด็กเท่านั้นอย่าไปนสนใจเลยจ้ะนี่เจเอ๋แม่ของลูกเป็นมะเร็งที่ฝันเพร<ม> า, <ฮ> ะ, เาะเก่งจังเลยนี่ ลูกใควรว า, า, าเรียนโรงเรียนอะไรกรรนนาามกานาธิบัติที่ข้าสัตว์ทำอาหารและข้าขายบวกกับจีกําแนอดีตที่เคยพูดทับถมน้องสาวที่ผิดพลาดในชีวิตหลายๆเรื่องโพลไปเรื่อยๆจะน้องสาวเครียด เลืหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายวิบากรรมนี้มาส่งผลจ้ะอาเป็นมะเร็งดีฟันแต่ตายด้วยการถูกฆ่าตัวตายด้วยการฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายในปฏิบาติกรรวิจิกรรมบวกันเป็นมะเร็งดีฟันแต่ไม่ตายด้วยมะเร็งแต่ตายด้วยการฆ่าตัวตายวิบากรรมนี้มาส่งผลให้ฆ่าตัวตายทันที่จะตายด้วยโรคมะเร็งจ้ะเมื่อคเมื่อกรรมฆ่าตัวตายยังไม่ส่งผล แม่ก็จะพยายามฆ่าตัวตายทว่าใดก็ไม่สาเร็ จ, จ้เพราะการรมมันยังไม่ส่งผลเต็มที่แม่ตายแล้วก็ไปย ม, มโลกรากกรรมฆ่าตัวตายทำให้ใจในเศร้าหมองอยู่ในย ม, มโลกก็ย้ำคิดย้ำทำย้ำฆ่าตัวตายกำลังกลิ้งตัวเองลงมาจากเนินเขาที่ขรุขระแล้วก็เดินขึ้นมาใหม่ทุกทรมานมาก เหล็กร้อนนงนึง น, นึเนื้อตัวนี่ไม่ต้องพูดถึงพอตายไปไปถึงพื้นฟื้นเดินขึ้นไปใหม่วิบากกรรมกรรมบันดาลให้เป็นอย่างนั้นฆ่าตัวตายเองไม่ต้องเดือดร้อนถึงเจ้าหน้าที่ได้รับบุญที่อดีตไปให้แล้วก็ได้รับลดย่อนผ่อนโทษลงมาคืออายุอยู่ในยมโลกกันน้อยลง ไปถามท่านท่านก็นบอกอยากพ้นกรรมมากและอยากได้บุญมากกว่านี้จ้ะก็ราะนั่นลูกก็ทำบุญอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆนะจ๊ะพ่อของสามีตายแล้วความผิดพลาดของแพทย์ส่องกล้องจังกระเพาะทะลุนั้นก็เป็นกรรมใหม่ของหมอแต่เป็นกรรมเก่าของพ่อเรื่องมิยว่า แน่ดีพ่อชอบใช้ฉมวกแทงปลาเป็นมาทำอาหารเป็นประจํานํามาส่งผลตายแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วแต่ค่อนข้างยากจนพราะไม่ค่อยดีทําทานจ้าไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะเด็กชายที่ลูกรับมาเลี้ยงเป็นลูกพ่อแมแงว่เด็กไม่รับผิดชอบเพราะเด็กคนนี้แน่ดีก็เป็นลูกช้างลูกเองเลย แต่เขาเกอเรได้เคยทำผู้หญิงท้องแล้วก็ไม่ได้ดูแลลูกที่เกิดขึ้นได้ยกแว่คนอื่นเลี้ยงแต่มีบุญที่เลี้ยงดูบิดามารดานามาส่งผล ไ, ได้มาเจอพ่อแม่แน่ดีตมารับเลี้ยงเป็นลูกจ้ะ oh. เออเพราะฉะนั้นพึงเลี้ยงดูบิดามารดาเถิดบุญนี้จะคอยส่งผลนะจ้ะให้มีคนมารับเลี้ยง ตลอดแหละลูกกับสามีก็ผูกพันกับเขามาโดยเคยเป็นพ่อแม่ลูกกันล้จ้ะกับเด็กคนเนี้เขาก็มีฝังบวชมาแต่ยังไม่หนานเนี่นเคยสร้างบารมีกับมู่คณมาโดยเป็นกองสเสบียงบ้างเคยบวชช่วงสั้นบ้างแต่นั้นก็ต้องคอยประคับประคองให้ดีจ้ะลูกจะมีอายุต้องมีสามีอายุสั้นเพราะวิบา ก, กรรมส่วนตัวของสามี ไม่เกี่ยวกับตัวลูกแต่มาเป็นสามีภริยาการเพราะสร้างบุญร่วมกันมาธรรมยามีสามีอายุสั้นกให้พระพืชปลอ ม, มจันย์แล้วติดฐานจิตเป็นผู้ชายแล้วก็ออกบวชจะ้ะอ้าวก็มาลัดที่สุดไงก็ถามมาได้ใครจะไปลิขิต ก ร, กรรมกรรส่วนตัวของเขาอ่ะมันยังงั้นน่ะต่อจากนี้ไปให้ลูกประพฤติพรหมจรรย์แล้วอธิษฐานเจดิย์บูชาแล้วก็ออกบวชนี่นแหละจะไม่เจอสามีสั้นชาตินี้ลูกกับสามีเป็นคู่ชีวิตที่ดีซึ่งกันและกันเพราะสร้างบุญมาด้วยกันหลายชาติโดยมีศรัทธาศีลทิฏฐิเสมอกัน ว่าไงว่าตามกันตลอดเลยนะคู่นี้น่ารักดีสร้างบุญบา ร, รมีด้วยกันมาหลายชาติแล้วสามีและตัวลูกสร้างบา ร, รมีกมับโมฆนามาโดยมาพุทธันดรที่ผ่านมาสามเองลูกได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ฆ่าฆาศึกตายเป็นจํานวนมากทั้งฆ่าด้วยตนเองและสั่งการต่อมาก็ได้ออกบวชช่วงสั้นเพราะคิดถึงตัวลูกกัเลย ซึงเป็นภรรยาของเข้ามาตอนก่อนบวชก่อนบวชเป็นภรรยาขเขาเนี่ยนั่งไปคิดไปนั่งไปคิดไปเลยออกมาทำหน้าที่ของสืเบเวียงดีกว่า <c oughs> ก็เลยออกมาเป็นท่านทำหน้าที่ของสืเบเียงของหมู่คณะแทน <c oughs> คิดถึงตัวลูกก็เลยนี่มันอย่างนี้แหละแล้วตอนนี้ตัวลูกก็คิดถึงตัวเขา <c oughs> อืม ตัวลูกก็มีบุญที่จะทำให้ฐานะดีขึ้นไปเรื่อยๆและการปฏิบัติธรรมก็จะดีถ้าทำทุกวันก็จะทำให้เข้าถึงพระในตัวได้จ้ะผู้ประสานงานโลกบินิสยัยอเลสเตือนที่สามทุกวันเป็นคนชอบทำอะไรเร็วก่อนใครเสมอพระในพุทธนดอนที่ผ่านมาแต่เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ทำหน้าที่ตีกลองบอกเวลาให้ทหารทากิจ อาใครทายในยทํานองนี้บ้างโกลกแต่นะนิสัยนี้จึงติดตัวมาจ้า oh. เคยสร้างพรมีกมุกขนะามาโดยพุทธันดรที่ผ่านมาเด้ออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชจนตลอดชีวิตมีหน้าที่เผ ย, ผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมได้เห็นองค์พระพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบุลพิเศษได้จ้า ชาติที่มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีใหเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตั้งติดไปด้วยสิบบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พัดกันเลยจ้ า, าัที่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสต๊ดดี้สั้นๆเลยจ้า